ถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายแล้วรู้สึกเบลอๆยิ่งพูดยิ่งเคลื่อนไหวอะไรๆยิ่งแย่ลงไปอีกให้โทษกรรมของตัวเองที่ไม่รู้จักเจริญสติถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายแล้วคุณรู้สึกเบลอๆยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งพูดจาเหมือนยิ่งแกล้งตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองให้อะไรๆแย่ลงไปอีกก็อย่าไปโทษผีซ้ำด้ามพลอยที่ไหนให้โทษกรรมของตัวเอง ที่ไม่รู้จักเจริญสติปล่อยให้ขาดสติปล่อยให้ความเลือเล่อนเข้าสิงสูงด้วยอาการหน้ามืดด้วยอาการโกรธจัดด้วยอาการเศร้าโศกเสียดายใหญ่หลวงภาวะในสมองและหลายอย่างจะต่างไปโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการพูดจาความสามารถการสั่งการมือไม้ความเห็นอกเห็นใจสิ่งมีชีวิต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 จึงสันเสริมผู้ฝึกเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตเนื้อตัวสังเกตอิริยาบถเคลื่อนไหวตลอดจนสังเกตรอารมณ์สุขทุกข์ทั้งมวล